พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขเอินที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขทั้งหมดในโลกนี้สุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆสู้ความสุข ที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้เพราะความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกิ่นลดเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่หุ้มห่อด้วยความทุกข์เวลาความสุขชั่วคราวนี้หมดไปก็จะเหลือแต่ความทุกข์ละทมใจ ส่วนความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ไม่ได้หุ้มห่อความทุกข์เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่จีรังถาวรผู้ที่ได้สร้างความสงบได้สร้างความสุขได้แล้วก็จะสามารถรักษาความสุขความสงบนั้น ได้ตลอดไปส่วนความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนี้เราไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้ตลอดเพราะรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะราบยศสรรเสริญเป็นของชั่วคราวมีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีเกิดย่อมมีดับไปธรรมดาย่อมมีการพลาดภลาดจากกันเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็คือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบ และเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ามีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญเพราะความสุขทางใจทางความสงบนี่จะมีพลังที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เลย เช่นความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการพัดพลากจากกันจะไม่สามารถเข้ามาภายในใจของผู้ที่มีความสงบได้เลยประองจึงทรงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายให้มาสร้างความสงบกัน ให้มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบกันเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายนี้หมดไปเป็นความสุขที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปและสงสอนธรรมะที่จะทำให้เกิดความสงบนี้ขึ้นมา เพราะถ้าไม่มีธรรมะก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความสุขความสงบที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมาได้เพียงจากการฟังเทศฟังธรรมเท่านั้น เพราะใจยังไม่มีรรมที่จะทำให้ใจนี้สงบนั่นเองใจยังถูกอำนาจของโมหะอาวิชชาอำนาจของกิเลสตัณหาสร้างความไม่สงบให้กับใจอยู่ตลอดเวลาตราบใดถ้ายังมีโมหะอาวิชชามีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจตราบนั้น ใจจะหาความสงบไม่ได้และสิ่งที่จะทําให้โมหะอาวิชชาและกิเลสตัณหาล้มหายตายจากไปได้ก็คือทำที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมัน่นเจริญกันหมั่นสร้างกันนั่นเองทำที่ทรงสอนให้หมัน่นเจริญให้หมั่นสร้างกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็คือหนึ่งศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองวิริยะความอุตสาหะความกยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามสติคือการละเล็กรู้อยู่ใน อารมณ์เดียวเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธสีสมาธิคือการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติและห้าปัญญาคือความรู้ความฉลาดที่จะมากำจัดโมหะอวิชากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจนี่คือธรรมที่ จำเป็นต่อการสร้างความสงบสร้างความสุขให้แก่ใจถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะไม่สามารถสร้างความสงบให้แก่ใจได้เลยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ต้องหมั่นเจริญศรัทธาหมั่นเจริญวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ภายในใจแล้วก็จะสามารถกำจัดโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาที่มึน อ, อยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ แ้วเมื่อได้กำจัดแล้วผลก็คือความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาความเป็นความสงบที่ถาวรในเบื้องต้นการของการปฏิบัติความสงบก็ยังเป็นแบบล้มลุกคุกคานได้แล้วก็เสริมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เพราะทําที่จะทําให้เกิดความสงบนี้ยังล้มลุกคุกคานอยู่ ยังไม่ตั้งมั่นเช่นศรัทธายังไม่ตั้งมั่นวิริยะความภาคเพียรยังไม่ตั Buck ้งมั Wall ่นสติยังไม่ตั้งมั่นสมาธิปัญญายังไม่ตั้งตั้งมั่นยังล้มลุกคุกคานอยู่บางทีก็มีศรัทธาบางทีก็เสื่อมศรัทธาบางทีก็มีความเพียรบางทีก็เสื่อมความเพียร บางทีก็มีสติบางทีก็ไม่มีสติบางทีก็มีสมาธิบางทีก็ไม่มีสมาธิบางทีก็มีปัญญาบางทีก็ไม่มีปัญญา เ, ออเพราะยังไม่ได้เจริญอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเจริญอย่างต่อเนื่องต่อไปมันก็จะไม่ล้มลุกคุกขานมันก็จะยืนได้เดินได้วิ่งได้ พอมันถึงขั้นที่วิ่งได้แล้วมันก็จะเป็นใบแบบอัตโนมัติอย่างที่หลวงตาท่านเคยเทศว่าสติปัญญาอัตโนมัตินพอเราได้ปลุกทาขึ้นมาแล้วจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัตินี้เราแทบจะไม่ต้องไปบังคับเลยทาเหล่านี้จะไหลออกมาแบบเป็นเป็นธรรมชาติเหมือนกับน้าตก น้ำที่ผดขึ้นมาจากใต้ดินน้ำผุอันนี้เกิดจากการสร้างศรัทธาขึ้นมาในเบื้องต้นเพราะก่อนที่จะมีความเพียรมีการปฏิบัติมีการเจริญสติสมาธิปัญญาได้จะต้องมีศรัทธาความเชื่อว่าการเจริญสติ การเจริญสมาธิการเจริญปัญญานี้จะสามารถนำให้เราได้พบกับความสุขที่วิเศษกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลินภภ่นรสโผฏฐาพะเพราะถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็จะไม่มาเจริญสติสมาธิปัญญากันสู้เราไปเจริญลาบยศสรรเสริญ จเจริญรูปเสียงกิ่นลดพลภัดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมอย่างน้อยมันก็ยังให้เรามีความสุขได้ส่วนความทุกข์นั้นก็ค่อยว่ากันทีหลังเวลามันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาว่ากันนี่คือความคิดของผู้ที่ไม่มีศรัทธาในการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญา ยังมีศรัทธาอยู่ ก, กับการสร้างราบยศเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่พุ่มห่อความทุกเวลาความสุขชั่วคราวจางหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาวขม เวลาอมเข้าไปใหม่ๆมันก็หวานพอน้ำตาลที่เครือบยาขมนี้จางไปหมดไปก็จะมีแต่รสขมปรากฏขึ้นมาสิ่งต่างๆความสุขต่างๆที่ได้จากลาบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะเป็นในลักษณะนั้นเวลาได้เศษได้สัมผัสก็มีความสุขพอมันผ่านไปมันหายไปมันจางไป ความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาทำให้ต้องเกิดมีความอยากหาความสุขมาเติ ม, ม, ม, เ, ตมเช่นไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรก็มีความสุขพอหยุดดื่มหยุดรับประทานไปสักพักหนึ่งความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทำให้ อยากจะไปหาความสุขมาเพิ่มเติมต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะยะอยู่เรื่อยๆหามาได้แล้วก็จางหายไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะหามาเพิ่มมาเติมเพราะเวลาขาดมันแล้วมันไม่มีความสุขนั่นเองการไม่มีความสุขก็คือความทุกข์นี่เองเช่นเคยดื่มอะไรก็ต้องดื่มอยู่เรื่อย เวลาดื่มแล้วก็มีความสุขแล้วเวลาผ่านไปความสุขนั้นก็จางหายไปความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเพราะจะทำให้อยากต้องอยากจะดื่มอีกพออยากจะดื่มก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องไปหามาดื่มถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องของคนที่ไม่เคยได้ พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยได้ยินว่ามีความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจคิดว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระก็เลยทําให้ มีศรัทธาในการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับคําสอนของพระอาลานตสาวกก็จะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ส่วนความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ก็คือความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบถ้าได้สัมผัสได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนของท่านก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมามีศรัทธาที่อยากจะสร้างความสุขเอกรูปแบบหนึ่ง ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเบื่อกับความสุขที่ได้จากาลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะได้มาแล้วเวลามันหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เงินทองมาก็ดีอกดีใจพอใช้เงินทองหมดไปก็เดือดร้อนก็ต้องไปเดินลนไปหาเงินทองมาใช้ใหม่ได้ตำแหน่งได้ยศอะไรมาก็ดีใจ เวลามันเสื่อมหรือมันหมดไปก็เสียใจได้สรรเสริญก็เช่นเดียวกันพอไม่ได้รับสรรเสริญได้รับคำคาตาหนิติเตียนเข้ารหานินทาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทธพะก็มีความสุขพอสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผทธระไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา คนบางคนจึงต้องเห็นความทุกข์ก่อนถึงจะแสวงหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งเช่นคนที่เคยมีความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดผลถภาพอวันดีขึ้นดีก็ไปประสบกับการสูญเสียลาบยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นลดผทธภะไปก็จะทำให้หูตาสว่างขึ้นมาทาให้เห็นว่า ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปวดต่อพานี้มันเป็นความทุกข์เพราะทุกทุกเพราะเวลาที่มันจากเราไปนั่นเองเวลามันอยู่กับเรามันก็ให้ความสุขกับเราแต่เวลามันจากเราไปเวลานั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็เลยทําให้คิดเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันคนที่ทุกข์ใจบางคนก็เข้าวัดกัน เาวัดเพื่อได้มาศึกษามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังคำสอนของพระอาจัน์ตสาวกพอได้ยินได้ฟังคำสอนก็จะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์และความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้อะไรต่างๆนานา มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขอันนี้เพียงแต่สร้างใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในอยู่ในใจของตนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังมีกำลังน้อยคือวิริยะความภาคเพียนก็พอมีอยู่คนเรามีมีความภาคเพียนกันแต่เพียนไปในทางที่ไม่ถูกเท่านั้นเองแทนที่จะเพียนมาสร้างสติสมาธิปัญญา ก็เพียนไปหาเงินหาทองหาลาบยศเสรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดกันแต่ตอนแต่พอได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อในคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนําเอาไปปฏิบัติก็ต้องใช้ความเพียนนี้เป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติเพียนอะไรเพียนปฏิบัติอะไรก็เพียนสร้างสติ เพียงสร้างสมาธิเพียนสร้างปัญญานี้เองญาติโยมที่มาอยู่วัดกันนี้ก็มาสร้างสติมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญากันนี้เองเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบเพราะสติสมาธิปัญญานี้จะกําจัดสิ่งที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือโมหะอวิชชากิเลสปัญหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ พอมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถกำจัดโมหะอาวิชากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้พอกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชาหมดไปความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบนี้ก็จะปรากฏขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติคือสงบจากน้อยไปหามาก เพรการปฏิบัติที่ต้องใช้เวลาสร้างกําลังของธรรมให้เกิดขึ้นสร้างอินทรีย์5คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิให้กลายเป็นภละ5คือสตาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาตอนนี้เรามีอินทรีย์5กันอินทรีย์ก็คือเรามีเรามีศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิรยิยะ แต่ว่ายังมีกําลังมีไม่มากพอที่จะเป็นกําลังในการที่จะทําลายโมหะอาวิชากิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจเท่านั้นเองมีอินทรีย์าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินทรีย์5ที่เอาไปใช้กับการรับใช้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชามเช่นคนที่ไปหาลาบยศสารเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเนี่เป็นผู้เอาอินทรีย์ห้าไปรับใช้โมหะอาวิชชาไปรับใช้กิเลสตัณหากิเลสตัณหาจะสั่งให้พวกเราเอาวิริยะความเพียรนี้ไปเพียรในการหาราบยศสารเสริญสุขกัน เอาสติเอาสมาธิเอาปัญญานี้ไปใช้กับการหาราบยศสรรเสริญสุขกันแทนที่จะให้มาหาความสงบกันเพราะว่าเราไม่มีผู้ที่บอกทางเรานั่นเองเราจึงต้องเกาะติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าอยู่ห่างไกลแล้วจะจะหลงจะลืมแล้วจะเสื่อมศรัทธาใน คำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ต้องมัง่งมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้มีคำสอนคอยเตือนใจคอยบอกให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่จีรังถาวรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถครอบครองมันไว้ได้ตลอดเวลาวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการพลดพลาดจากกันเราต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ปัญญามาคอยสอนมาคอยเตือนใจเรา เพื่อที่ให้เราจะได้หันมาหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่จีรังถาวรความสุขที่เป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันพัดพากจากเราไปดังนั้นเราต้องมาพยายามมาเจริญสติสมาธิปัญญากันด้วยวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียร ถ้าเรามีความอุตสาหะวิริยะเราก็จะสร้างวิริยะจากการเป็นอินทรีย์มาให้เป็นพละได้มาเป็นพลังได้ตอนต้นเราก็อาจจะปฏิบัติที่เราเล็กเทียน้อยไปก่อนตามกำลังของเราผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี้อาจจะปฏิบัติได้วันละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วถ้าปฏิบัติเพิ่มไปมันก็จะเพิ่มไปได้เรื่อยๆ จากชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงเป็นห้าหชั่วโมงไปจนถึงสัปฏิบัติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าปฏิบัติแล้วได้รับผลจากการปฏิบัติคือถ้าสามารถเจริญสติให้ได้อย่างต่อเนื่องก็จะทําให้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมได้ อย่างเต็มที่จิตก็จะรวมเข้าสู่คณิกะหรืออัปปนาสมาธิคณิกะก็รวมอยู่ชั่วคราวรวมอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาถ้ารวมอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิขณะที่จิตรวมนี้จิตจะมีความสุขมากจิตจะเป็นอุเบกขาจะไม่มีอารมณ์กับอะไรจะวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่าง จะไม่รู้สึกสะทกสทานจะเทือนใจกับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผู้ตภงาจะรู้สึกเฉยเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่คือพลังของสมาธิของความสงบแล้วก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าลาบยศสรรเสริญ เหนือกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะและเป็นความสุขชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้ก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะรักษาให้คงอยู่ต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาปัญญานี้ก็จะสอนใจให้รู้ว่าเวลาอยากได้อะไรนี้ อย่าไปทําตามเพราะการทําตามความอยากจะทําให้ต้องทําอยู่เรื่อยๆทําเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอและเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็จะเกิดความทุกข์ตามมาอีกเช่นกันเพราะทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่ได้มานี้ เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไม่สามารถครอบครองไว้ให้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอด<ม>จะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะต้องสูญเสียสมบัติหรือสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราได้มาไปไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาเท่านั้น นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจเพื่อให้ระงับความอยากที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิถ้าทำลายความอยากได้ความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไปแล้วทุกครั้งที่มีความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปตามตามความอยาก ให้ฝืนความอยากให้หยุดความอยากด้วยการไม่ทําตามความอยากเราไปความอยากก็จะหมดกําลังหายไปเราก็จะไม่มีอะไรมาทําลายความสงบที่ได้จากการเจริญสติจากการใช้ปัญญาสตินี้จะทําให้ใจสงบปัญญานี้จะรักษาความสงบให้อยู่ไปตลอด ให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในความสงบนั่นเองนี่คือเรื่องของการสร้างธรรมที่จะทําให้เราได้พบกับนัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบของใจจะสงบได้ก็ต้องมีศรัทธา มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมีความเชื่อก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนให้มันเจริญสติอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีสติก็ให้นั่งหลับตาทำใจให้สงบให้รวมเข้าสู่สมาธิให้เป็นอัปปนาสมาธิแล้วเมื่อออกจากสมาธิมาก็ให้ใช้ปัญญาคอยกำจัด ตัญหาความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบของใจนี่เป็นการสร้างธรรมที่จะมาทำใจให้สงบต้องสร้างที่สติเป็นเบื้องต้นต้องเจริญสติเพราะถ้าไม่มีสติใจจะรวมเข้าสู่สมาธิเป็นอุเบกขาไม่ได้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่ได้ถ้าไม่มีสติ ใจจะไม่รวมใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขในใจก็จะไปออกออกไปหาความสุขทางราบยศรสะะเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาแทนเพราะจะไม่มีกําลังที่จะต้านตันหาความอยากที่ยังมีอยู่ภายในใจอยู่นั่นเองดังนั้นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้จําเป็นที่จะต้องเจริญสติ อย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยไม่ปล่อยให้ใจคิดไปในทางลาบยศสรรเส ร, ริญไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐเพราะถ้าคิดได้เมื่อไหร่ก็จะเกิดตันหาความอยากขึ้นมา ท, าทันทีถ้าคิดถึงลาบยศสรรเส ร, ริญก็จะอยากได้ลาบยศสรรเส ร, ริญขึ้นมาถ้าคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ก็จะอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์ขึ้นมาก็จะทำให้ใจนี้ไม่สงบใจวุ่นวายใจจะดิ้นใจจะนั่งเฉยๆไม่ได้เวลาจะนั่งสมาธิก็ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เพราะขาดสติที่จะคอยควบคุมความคิดต่างๆนี้เองดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปทางลาบยศเสริส ทางรูปเสียงกลิ่นรสผทพภะให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นคำบิกรรมพุทโธพุทโธเดินขึ้นมาพอลืมตาก็พุทโธไปเลยลุกขึ้นมาทำหน้าที่อะไรต่างๆก็พุทโธกรรกลับไปอาบน้ำก็พุทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธรับประทานอาหารก็พุทโธเดินทางไปทำงานกบพุทโธ พอถึงที่ทำงานถ้าต้องใช้ใช้ความคิดในการทำงานก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวให้มีสติอยู่กับการทำงานพอเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานก็ใช้พุโทโธต่อคอยคุมไว้ไม่ให้ไปคิดถึงราบยศสรรเสริญไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลภภิ่นรสโผฏฐะพระแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตา พูดโธต่อไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้พูดถึงผู้ที่ยังมีภารกิจการงานที่จะต้องทำอยู่แต่ถ้าลองได้ผลจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็จะเห็นคุณค่าของความสงบและจะเห็นโทษของการที่ยังต้องทำมาทำงานทำการอยู่ก็จะ ยุติการทำงานทำการเพื่อที่จะได้เอาเวลามาเจริญสมาธิเจริญสติให้ได้อย่างเต็มที่เพราะยังถ้ายังต้องทำงานอยู่ก็ต้องเอาเวลาไปไปใช้กับการทำงานเอาความคิดไปใช้กับการทำงานซึ่งเวลาทำไปแล้วคิดแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาได้ก็กจะเห็นว่ามันขัดกัน ระหว่างการทำงานกับการนั่งสมาธินี้มันเป็นไปกันคนละทิศคนละทางเวลาทำงานต้องใช้ความคิดแล้วก็คิดไปแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไม่สงบแต่เวลามานั่งสมาธิใจสงบก็จะเห็นความเห็นผลที่แตกต่างกันจากการที่เรานั่งเฉยๆกับการที่เราไปทำงาน การไม่ทำงานเราจะไม่ได้ความสงบแต่เราจะได้ผลงานเราจะได้เงินทองได้อะไรมาเป็นผลตอบแทนแต่เราจะไม่ได้ความสงบแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเราไม่ไปทำงานเราจะได้ความสงบผลที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่าผลที่ได้จากการได้เงินได้ทองก็เลยต้องหาทางที่จะต้องหยุดทำงาน แต่ก็ต้องมีเงินทองไว้สนับสนุนเพราะว่ายัางต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยสี่ก็ยังต้องรับประทานอาหารต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านเสื้อผ้าก็คงพอมีพอแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องใช้ก็ต้องดูว่ามีเงินทองไว้สนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้ได้หรือไม่ ถ้ามีพอก็ลองหยุดทำงานดูเอาเงินที่มีอยู่นี้เอามาสนับสนุนในการใช้ร่างกายมานั่งทำสมาธิจะดีกว่าลองใช้ไปก่อนลองปฏิบัติไปก่อนอย่างเต็มที่ดูเพราะว่าถ้าปฏิบัติได้ผลดีก็อาจจะไปอยู่แบบนักบวชเลยก็ได้ถ้าไปเป็นนักบวชก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการ ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะนักบวชก็จะมีผู้ที่ยินดีที่จะสนับสนุนที่จะใส่บาตรที่จะให้ให้ทานถ้าเป็นพระก็เป็นทบาลถ้าเป็นแม่ชีก็รับทานรับบ่อยจากทานจากผู้ที่มีจิตศรัทธาก็เหมือนกันรับมาก็ไม่ต้องการมากอะไรรับมาพอให้มีอาหารยังชีพไปได้วันวันหนึ่งก็พอ แล้วก็ให้มีที่สงบที่จะได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมใช้ในการเจริญสติสมาธิและปัญญานี่คือเรื่องของการเจริญสติจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากเพศของคารวาสก็จะไปสู่เพศของนักบวชซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่วางแผนไว้เลย ตอนต้นเวลาปฏิบัตินี้ไม่มีใครคิดอยากจะบวชกันเวลานั่งสมาธิก็อยากจะให้ใจสงบอยากจะได้ความสุขจากการนั่งสมาธินี้เท่านั้นเองไม่ได้คิดว่าอยากจะไปบวชเป็นชีเป็นพระแต่อย่างใดแต่พอนั่งแล้วได้ผลได้ผลจากความสงบนี้ได้ผลจากการนั่งได้ความสงบได้ความสุขก็เลยเกิดฉันทะขึ้นมาอยากจะได้ มากมากขึ้นไปยินดีกับความสงบยินดีกับลดแห่งธรรมอยากจะได้ลดแห่งธรรมมากขึ้นไปก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นไปแทนที่จะปฏิบัติวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปถ้าจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปก็ต้องตัดภารกิจการงานต่างๆออกไปในตอนต้นก็ใช้เงินทองที่มีไว สำรองไว้ใช้ในการสนับสนุนเรื่องค่าใช้ใจ่ายของปัจจัยสี่เพื่อจะได้ไม่ต้องไปทำงานเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนพอได้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนแล้วได้ผลจากการปฏิบัติก็จะมีความมั่นใจว่าสามารถไปอยู่แบบนักบวชได้แล้วและก็ไม่อยากจะอยู่แบบอื่นเพราะอยู่แบบนักบวชนี่เป็น การอยู่ที่จะทำให้มีเวลาได้เจริญสติได้เจริญปัญญาได้เจริญสมาธิอย่างเต็มที่ก็เกิดความยินดีที่อยากจะบวชไปเองโดยที่ไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีใครมาบังคับเลยตอนต้นก็ไม่เคยคิดอยากจะบวชเวลาที่เริ่มหัดเจริญสตินั่งสมาธิใหม่ๆก็คิดเพียงแต่ว่าอยากจะได้ความสขจากจากความสงบนั้น แต่พอได้แล้วก็เกิดความโลภขึ้นมาแต่เป็นความโลภที่ดีโลภในความสงบนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเรียกว่าเป็นมรรคเป็นฉันทะเป็นความยินดีในธรรมที่ชนะการยินดีทั้งปวงยินดีกับความสงบนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสแต่เป็นฉันทะเป็นความยินดีในลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็จะทาให ปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นไปแล้วพอปฏิบัติได้แล้วก็อยากจะปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะได้เต็มร้อยได้เต็มที่ก็เลยเห็นว่าไม่มีอะไรจะดีกว่าการไปบวชเพราะเมื่อบวชแล้วก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการเอามาใช้กับปัจจัย4พอบวชแล้วเรื่องปัจจัย4นี้ก็มีพร้อมบริบูรณ์ ตามวัดตามวานี่ปัจจัยสี่มีพร้อมมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีเวลาที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับแม้ขณะในทำในการทราําภารกิจต่างๆก็สามารถปฏิบัติได้สามารถเจริญสติได้เช่นเวลาที่ออกมาทํากับข้าวหรือเวลาออกไปบิณฑบาต โดสามารถเจริญสติได้ให้มีสติอยู่กับการทำกับข้าวมีสติอยู่กับการบินทบาตเวลาขบฉันก็มีสติอยู่กับการขบฉันไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิพภัณพะให้อยู่กับงานที่กาลังทาอยู่ในปัจจุบันเวลาล้างบาล้างถ้วยล้างชามก็เช่นเดียวกันเวลาเก็บข้าวเก็บของ ก็มีสติหลังจากนั้นเมื่อเสร็จภารกิจที่จำเป็นประจำวันก็ก็กลับไปที่พักของตนไปปรีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไม่ครุกคลีไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับใครเพื่อที่จะได้เอาเวลามาจเจริญสติมานั่งสมาธิต่อไปเวลาเดินก็จเจริญสติจะอยู่กับการก้าวเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไป หรือจะอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปก็ได้อย่าไปคิดอะไรตอนนี้ยังไม่ใช่ขั้นของการคิดแม้จะเป็นปัญญาก็ยังไม่ควรคิดถ้ามีสติอยู่กับพุทธโธได้อยู่กับพุทธโธไปดีกว่าอยู่กับการก้าวเท้าไปจะดีกว่าไม่ต้องการให้คิดเพราะถ้าคิดแล้วเดียวมันจะมีช่องให้กิเลสออกมาแทรกแล้วมันจะพลิกความคิดจากจากปัญญาให้กลายเป็น ความคิดของกิเลสไปแล้วก็จะทำให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แทนที่จะสงบก็กลับจะฟุ้งซ่านขึ้นมาดังนั้นถ้ายังไม่สามารถควบคุมความคิดได้อย่างต่อเนื่องอย่าเพิ่งไปเจริญทางปัญญาพยายามหยุดความคิดไว้ก่อนให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้คิดอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ใจกาลังเดินก็ให้คิดอยู่กับเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไป เพื่อที่จะได้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วพอเมื่อก็ลงมนพักนั่งสมาธินั่งหลับตาก็พุทโธต่อไปหรือถ้าอยากจะใช้การดูลมหายใจแทนก็ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ให้มีอะไรผูกใจไว้กํากับใจไว้ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาแทรก ใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คืออำนาจของสติสติจะทําให้ใจรวมเป็นสมาธิเมื่อใจรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะมีอุบเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะทําให้ไม่หิวไม่โหยกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หหิวโหยกับลาบยศสัดลเสริญก็จะทําให้มีกำลังต่อต้านตันหาความอยาก ที่อาจจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะถ้าไปเผลอไปคิดถึงราบยศสรรเสรินไปคิดถึงรูปเสียงกิจลดเมื่อไหร่ความอยากที่จะหาราบยศสรเสรินหารูปเสียงกิดลดก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบก็สามารถใช้ปัญญามาหยุดตันหาได้ปัญญาก็จะบอกว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันเป็นทุกข์ เช่นรามยศเสริษรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่จลังรังมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วข่าวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็จะเสียใจเพราะมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสู้เอาของที่เป็นของเราอย่างแท้จริงดีกว่าก็คือความสงบเอาความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเป็นของเราอย่างแท้จริงมันจะอยู่กับเราไปตลอด ถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมาแล้วถ้าเรามีสติแล้วเราสามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ตลอดเวลาสามารถรักษาประครับประคองได้แต่ก็ยังไม่สามารถทำลายตัณหาได้ด้วยสติเท่านั้นเองสิ่งที่จะทำลายตัณหาทำลายโมหะาอาวิชชาทำลายกิเลส ต, ต่างๆนี้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นปัญญาก็คือต้องเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่กิเลส ต, ตัณหาต้องการ ในสิ่งที่กิเรตันหาอยากได้ก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปทภะต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้ไม่ต้องการเพราะไม่มีใครต้องการความทุกข์เพราะความหลงมันจะหลอกให้คิดว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปทภะนี้เป็นความสุขนั่นเอง แต่ความจริงที่พิจารณาด้วยปัญญาก็จะบอกว่ามันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่ถาวรทุกข์เพราะว่ามันเปลี่ยนไปทุกข์เพราะว่ามันจะต้องหมดสิ้นไปทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไปทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาถ้ามีปัญญาเ้าก็จะสามารถกำจัดโมหะอวิชากิเลสตัณหา ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เมื่อหมดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาลบกวนใจอต่อไปไม่มีอะไรจะมาสร้างความฟุ้งซ่านสร้างความไม่สงบให้กระใจใจก็จะสงบไปตลอดใจที่สงบไปตลอดนี้ท่านเรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังใจที่มีความสุขอย่ามถ้าวอนเคใจที่เป็นนิพพาน นิพานก็คือใจที่ปราศจากโมหะอาวิชากิเลสตัณหานี่ที่ที่ปราศจากก็เพราะอำนาจของธรรมก็คือศรัทธาสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ผู้ปฏิบัติได้เจริญมาอย่างต่อเนื่องขั้นต้นก็เจริญศรัทธามันศึกษาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแล้วจะเกิดศรัทธา พอมีศรัทธาก็จะมีวิริยะความอุสาหาภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนที่สอนให้เจริญสติก็จะหมั่นเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับพอมีสติเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้พอได้อัปปนาสมาธิก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ได้อุเบกขา ได้ใจที่เป็นกลางใจที่ไม่หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสรับรู้ใจที่จะมีพลังต้านความอยากต่างๆหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าปัญญาบอกให้หยุดเช่เวลาเกิดความอยากได้อะไรปัญญาก็จะสอนว่าอย่าไปอยากอยากแล้วทุกแล้วก็จะไม่ได้ดังใจอยากหรือได้มาแล้วก็จะต้องเสียไปในลำดับต่อไป พราสิ่งที่ได้มาทุกอย่างนั้นจะต้องมีการเสื่อมไปหมดไปนั่นเองเพอเห็นอนิจจังในทุกสิ่งที่อย่างที่อยากได้ <me an> เห็นอนาัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ก็จะหยุดความอยากเพราะจะเห็นว่าถ้าไม่หยุดถ้าไปถ้าไปได้มาแล้วจะต้องได้ความทุกข์ตามมาเพราะสิ่งที่ได้มามันจะต้องเสียต้องจากเราไปพอจากไปก็จะทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาไป ว่าเราจะต้องเสียมันไปนี่คือเรื่องของธรรมที่จะมาทำให้ใจนี้มีความสงบตลอดเวลาทำให้ใจมีนัตติสันติปรังสุขขังมีความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดจากการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะมีวิริยะความบุสาความภาคเพียร ที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้ปฏิบัติคือให้หมัน่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบจนชนานาญกับการเข้าไปในสมาธิสามารถเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาที่ต้องการพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาไตรักพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเรา พิจารณาร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเพื่อจะได้ตัดกามราคะที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดไปแล้วพอได้ทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะสงบไปตลอดใจก็ไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องมา มาแก้ไขแล้วเพราะสติสมาธิปัญญานี่ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคของร่างกายนี้เองเวลาที่ร่างกายมีโรค ก, ก็ต้องรับประทานยาไปเรื่อยๆพอร่างกายหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วยาก็ไม่ต้องรับประทานอีกต่อไปเพราะรับประทานไปก็ไม่มีผลอะไรรับประทานหรือไม่รับประทานโาครคภัยไข้เจ็บมันก็หายไปหมดชั้นใด หลังจากที่ได้ทําลายเชื้อโรคของใจคือโมหะอาวิชากิเลสตันหาให้หมดไปจากใจแล้วยารักษาโรคใจคือสติสมาธิปัญญาก็หมดหน้าที่ไปไม่ต้องมาเจริญพุทโธพุทโธอีกต่อไปไม่ต้องมานั่งหลับตาให้ใจเข้าสู่สมาธิไม่ต้องมาพิจารณาตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอต่อไปเพราะไม่มี อะไรที่จะมาต้องกําจัดเพราะไม่มีความอยากที่จะต้องมากําจัดอีกต่อไปนั่นเองท่านยังบอกว่ากิจในพรหมจรรย์นี้มีวันสิ้นสุดลงได้เวลาผู้ที่ได้กําจัดโมหะอวิชชากิเลตตันหาหมดไปจากใจแล้วท่านก็จะพูดว่าอุสิตั ง, รรรงพรมจรรย์ยักิจในพรหมจรรย์นี้ได้สําเร็จนู่นนู่แล้วไม่มีกิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ที่จะต้องทําอีกต่อไป ก็อยู่แบบสบายไม่มีอะไรมารบกวนใจอยู่กับปรมังสุขขังไปตลอดเวลานี่คือผลที่จะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนให้เจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะได้เอาไปกําจัด โมหะอาวิชชากิเลสตันหาให้หมดไปจากใจเพื่อที่จะได้ทำให้ใจนี้เป็นปรมังสุขขังนั่นเองก็ toe. ขอให้ท่านจงได้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ Driving. ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตพ ha no. ระกัตาธรรมโมหรือไม่เป็นอาการลิโกหรือไม่เป็นสันติโกหรือไม่ เป็นปัจจัตตังหรือไม่คาสอนเหล่านี้ที่พระุเจ้าได้ทรงตรัสไว้นี้จะเป็นความจริงขึ้นมาภายในใจจะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปจะไม่มีวันเสือมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 阿拉สยธาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพโรโควินสศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีดิตสะนิจจังวุทฒาปจายิโนจตารุธรมมาวัฏานติอายุวันโอสุขัง ลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการถามคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบคำถามอีกต่อไป เพราะว่ามันก็พอสมควรแก่เวลาเหนื่อยแล้วเพราะกว่าจะเลิกก็สี่โมงก็ประมาณสองชั่วโมงงั้นถ้าใครอยากจะถามปัญหาก็เชิญถามได้ในตอนนี้เลยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรอ่านคำถามของทางบ้านต่อไปอาจจะไม่ต้องโพสต์คำถามต่อไปก็ได้เพราะว่ามันมีถามสน ใครอยากจะถามต่อไปก็ให้ถามสดเลยดีกว่าทงที่เขาฝากไว้หลายวันก็ตอบหมดแต่คขาหน้าไม่ต้องไปโพสมานะแล้วก็ใครอยากจะถามก็ให้เข้ามาถามสดเลยได้คำถามแรกคำถามจาก Facebook คำถามจากคุณส้มประพาพิมพ์ค่ะถ้าวันไหนนั่งสมาธินา น, านจะไม่ง่วงนอนเช่นนั่งตอนสองถึงสามทุ่มปกติจะนอนสี่ทุ่ม ก็ยังรู้สึกไม่ง่วงถ้าไม่ได้นั่งสมาธิจะง่วงนอนตอนสามทุ่มถ้าวันไหนนั่งสมาธิจะง่วงนอนตอนเที่นนงงงนนทยงคืนไม่ทราบว่าผิดปกติหรือเปล่าคะควรจะทาต่อไปหรือเปล่าตอนทำสมาธิจิตก็สงบดีคะ่ะแต่คิดว่าน่าจะไม่ผิดทางแต่ทาไมจิตถึงตื่นไม่ค่อยง่วงนอนทำให้เราเข้านอนดึกกว่าปกติคะ เพราะถ้าเวลาเรานั่งสมาธิเราจะใช้สติเราจะมีสติมันก็เลยไม่ง่วงปต่ก็ิคนที่เขาปฏิบัติทำมีสตินี้เขาพักกันคืนละสี่ห้าชั่วโมงก็พอดัองนั้นถ้าถ้าจเจริญสติแล้วนั่งสมาธิใจสงบนี่มันจะไม่ง่วงนอนแ้วง่วงก็ต่อเมื่อร่างกายเหนื่อยเพลต้องการจะพักผ่อนมันก็จะ พักตามความต้องการของร่างกายอาจจะไม่ได้พักไปตามความต้องการของใจใจนี้จะง่วงถ้ากินเยอะๆแล้วก็ไม่มีสติเล้เดี๋ยวไม่ถึงไม่กี่ทุ่มก็หลับแล้วอยากจะหลับจากผู้ฝากถามค่ะที่หลวงพ่อเทศนเมื่อวันที่13กรกฎาคมบอกว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเราจะ รู้ว่าคนดีหรือไม่ดีเราก็ต้องรู้จักกันไปนานๆไม่ใช่เห็นกันแค่ครั้งสองครั้งเห็นเขาทำชั่วแค่ครั้งสองครั้งก็ไปว่าเขาดีไม่ดีเสียแล้วอันนี้ยังไม่พอต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆดูว่าบวกหรือลบอันไหนจะมากกว่ากันคำถามข้อหนึ่งค่ะคําว่าดีหรือเลวในที่นี้ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัดหรือตัดสินคะเพราะว่าบางคนคิดว่าทําดีแล้วแต่กลับไม่ถูกใจอีกคนก็ถูกตัดสินแล้วว่าเลวเออการทําความดีไม่ได้อยู่ที่การตัดสินของผู้อื่นแต่อยู่ผลที่เกิดจากการกระทําการกระทําความดีก็คือการกระทําที่ไม่เกิดโทษกับผู้อื่น แต่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทําความดีงั้นเราดูตรงนั้นทําแล้วเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษถ้าเกิดโทษก็ถือว่าเป็นการทําไม่ดีถ้าเกิดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการกระทําดีแต่คนอื่นที่เขาอาจจะไม่เห็นดีด้วยก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะอาจจะไปขัดประโยชน์กับเขาก็ได้เช่นเราทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมแต่อาจจะไปทํา ให้ส่วนบุคคล น, นั้นเสียหายเสียประโยชน์ส่วนนั้นไปเขาก็จะว่าเราไม่ดีได้เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเหล่านั้นเราดูที่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยรวมว่าเป็นผลประโยชน์มากกว่าโทษหรือไม่ผลประโยชน์บางอย่างก็อาจจะเกิดโทษบ้างเช่นจะสร้างถนนนี้ก็ต้องเวนคืนที่ดิน ถนนก็จะทาให้คนส่วนใหญ่สามารถเดินทางไปไหนสัญจรได้สะดวกสบายแต่คนที่เสียที่ดินเขาก็อาจจะไม่พอใจก็จะว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีได้ยังงั้นก็เราต้องดูประโยชน์เป็นหลักว่าประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนอันไหนสำคัญกว่ากันข้อ2ค่ะแล้วถ้าใช้ความถูกใจไม่ถูกใจตัดสิน ก็แสดงว่ายังเป็นมายาคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกบุคคลที่ตัดสินความดีความเลวของอีกคนแล้วอะไรคือจุดตรงกลางที่จะตัดสินความดีความเลวจริงๆของคนคะความดีความเลวของคนแต่ละคนนั้นตัดสินที่ใจของคนนั่นแหละคนนั้นเขาจะรู้เองเขาําความดีเขาจะมีความสุขใจ เขาทำความเร็วเขาจะมีความทุกข์ใจอันนี้ไม่มีใครที่จะไปตัดสินให้ได้นอกจากตัวเขาเองเขาจะรู้แก่ใจเขาเองว่าเขาทำดีหรือเขาทำไม่ดีทำดีแล้วจะมีความสุขใจทำไม่ดีก็จะมีความทุกข์ใจข้อสแล้วถ้ายึดหลักที่ว่าทำดีเสมอตัวทำชั่วติดลบจึงไม่ต้องทำอะไรเฉยๆไว้ จะทำให้เป็นคนนิ่งดูได้ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายอย่างด้วยกันเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสียว่ามันคุ้มกันหรือไม่ตางทีเราทำความดีแต่อาจจะไปกระทบกับคนบางคนแล้วเขาอาจจะอาฆาตพยาบาทมาจองล้างจองพรานเราเราก็ต้อง คำนึงถึงผลกระทบว่าเราพร้อมที่จะรับกับผลกระทบนั้นหรือไม่ถ้าเราพร้อมเรายามพลีชีพทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและอาจจะไปทำให้คนส่วนน้อยเกิดความไม่พอใจแล้วจะมาตามฆ่าเราอย่างนี้ถ้าเราพร้อมที่จะสละชีพก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็อยู่ที่ผู้กระทําเองว่าจะต้องชั่ ง, งน้ำหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับ ว่าพร้อมที่จะรับผลกระทบนั่นหรือไม่ถ้าพร้อมก็ทำไปถ้าไม่พร้อมก็ไม่ทำก็ไม่เสียหายถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลถ้าทำไปได้บุญได้กุศลแต่ก็อาจจะได้การจองเวรจองกรรมกันก็ได้อย่างพระเทวทัตก็จองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าเท่าที่ได้ยินได้ฟังการเริ่มจองเวรจองกรรมกันก็สมัยที่ พระพุทธเจ้าเป็นคนรับซื้อของเก่าเทวทัตก็รับซื้อของเก่าแล้วมียายคนหนึ่งมีถาดใบหนึ่งเป็นถาดทองคําหรือถาดอะไรทองคำนะเทวทัตก็บอกเป็นทองเหลืองมีไม่กี่ตังพอมาถามพุทธเจ้าพูดว่าโอ้นี่ทองคํานี่ยราคาต้องอย่างนั้นต้องแพงเนี่เทวทัตก็โกรธเนี่ยการพูดความจริงทำความดีช่วยเหลือคน คุณยายไม่ให้ถูกหรอกก็ไปทําให้เกิดคนที่เขาไม่พอใจคนที่เขาเสียประโยชน์เขาก็จะจองเวรจองกรรมเรานี่เราจะเอาอะไรถ้าเรากลัวเขาจะมาจองเวรจองกรรมล้วก็นิ่งๆปล่อยให้เขาหลอกคุณยายไปถ้าเราสงสารคุณยายไม่อยากให้ถูกหลอกเราก็บอกความจริงให้คุณยายเขาฟังพอบอกไปเทวทัตก็โกรธเกลียดจองฆ่าจ้าอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมกันมาทุกภพทุกชาติจนถึงชาติสุดท้ายนั่นะถึงจะหมดคือพระพุทธเจ้าก็ไม่กลับมาเกิดแล้วแล้วเทวทัศก็สำนึกในความผิดของตนขอถวายกรามเป็นเครื่องขอขมาก่อนที่จะถูกดินสู่ลงไปแล้วก็ต้องไปตกนรกเพราะทำอนันตเรียกกรรมคือพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกัน แต่บุญที่เทวทัตได้ทำไว้ก็ยังมีอยู่พอไปใช้บาปหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะได้บรรย์เป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าต่อไปอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจะทำอะไรนี้มันต้องมีผลกระทบอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะรับกับผลกระทบนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่พร้อมเราก็อยากไปทำก็ไม่เสียหายตรงไหนก็ปล่อยให้เป็นเวรเป็นกรรมไปของคุณยายไป คุณยายชาติก่อนคงอาจจะไม่เคยตลบตะลังโกหหลอกลวงขายเขาเข้าจานนี้ก็เลยต้องมาถูกเขาโกหกตลบตะลังชดเชยกรรมไปถ้าเราไม่อยากที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่อยากที่จะไปรับผลกระทบจากการพูดการกระทําของเราแล้วก็นิ่งเฉยเสียไปแล้วคนหน่วยก็อาจจะมองว่าหาว่าเราไม่มีน้ําจิตน้ําใจก็ได้มันก็โดนด่าทั้งสองทางนะ ทำก็โดนไม่ทำก็โดนนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าอย่างไหนเราจะรับอย่างไหนได้เราจะรับอย่างไหนไม่ได้แต่การไม่ทำอะไรนี่ไม่มีความเสียหายเพียงแต่ไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่านั้นแต่ก็ไม่เกิดโทษคำถามจากคุณจุลาวันค่ะเวลานั่งสมาธิและสวดมนต์มีอาการหาวตลอดเวลาหาวจนน้าตาไหล ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ง่วงนอนเลยสักนิดแต่ก็หาวเป็นแทบทุกครั้งอาการแบบนี้คืออะไรคะทำอย่างไรไม่ให้หาวคะก็ไปดูทีวีดูละครนะถ้าดูหนังดูละครนี่เดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาว่ให้มาสวดีม น, นี่มันหาวกิเลสมันออกฤทธิ์ไงกิเลสมันไม่ชอบมันชอบมันชอบของระทึกใจของของตื่นเต้น ้ถ้าอยากจะหายงวงก็หยุดหยุดสวดแล้วก็ไปเปิดดูหนังสักพักหนึ่งคำถามจากคุณอังคณาค่ะข้อแรกการนั่งสมาธิแล้วคล้ายตกจากที่สูงแล้วนิ่งว่างแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวเลยไม่ทราบว่าตัวรู้อยู่ที่ไหนเป็นการหลับในสมาธิหรือสติอ่อนหรือเปล่าคะเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขไหมคะ มีพระท่านแนะนำไม่ให้นั่งสมาธิให้เดินจงกรมแบบเร็วๆแทนถูกต้องไหมคะคือถ้าจิตมันหลับมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์จากการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเราต้องการให้จิตสงบแต่ไม่หลับคือให้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าสติมีกำลังน้อยพอจิตจะสงบมันก็หลับไปพร้อมๆกันก็จงจะไม่ได้เรียกว่าได้สมาธิ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องหามาตรการแก้ไขความง่วงนอนคือส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปผู้ปฏิบัตินี้จะต้องลดการรับประทานอาหารจากปกติลงเพราะพระพุทธเจ้าสอนพระให้ถือธูปองกวัดข้อฉันมือเดียวเพื่อที่จะได้ไม่ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปจะได้ช่วยกําจัดความง่วงนอนได้ดังนั้นถ้า ถ้าอยากจะกำจัดความง่วงนอนแก้กำจัดปัญหาถ้าอยากจะปฏิบัติทำนั่งสมาธินี้ควรจะถือศีลแปดหรือควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเดียวหรือถ้าไม่อยากจะแก้ปัญหาทางด้านรับประทานอาหารก็ต้องไปนั่งสมาธิในที่น่ากลัวเช่นไปนั่งในป่าช้าไปนั่งที่ปากเหวถ้านั่งที่ปากเหวถ้าสับประหง ก, ก็หัวทิ่มตกเหว ถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ง่วงก็ต้องหามาตรการแก้ไขไปหรือบางท่านก็บอกว่าถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ถูกเดินจงกรมให้มันหายง่วงก่อนพอหายง่วงแล้วก็ลองกลับไปนั่งต่อใหม่ข้อสองค่ะปกตินั่งสมาธิแล้วมักจะสงบมากไม่ค่อยคิดอะไรไม่มีปวดเมื่อยใดๆเวลานั่งใช้พุทธานุสติ ร่วมกับลมหายใจแต่ไม่สามารถจับได้ทันว่าลมหายใจและคำบริกรรมหายไปเมื่อใดรู้สึกอีกครั้งก็นิ่งเงียบแล้วเป็นเพราะสติไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าคะควรจะต้องจับให้ทันตรงที่คำบริกรรมหายไหมคะเพราะเมื่อพยายามตามตรงนี้ทำให้เป็นกังวลว่าตรงไหนอยู่ตลอดเวลาและจับไม่ทันคะ่ะ คือถ้า <IS> มันบริกรรมหายแล้วมันสงบนิ่งแล้วเรายังรู้สึกตัวอยู่ก็ถือว่าจิตสงบถ้ามันไม่รู้สึกตัวหายไปหมดทั้งคำบริกรรมทั้งตัวผู้รู้ก็หายไปก็เป็นการหลับไปก็มีมีสองลักษณะคำถามจากคุณเลขแปดมหัสจั์ลูกชายอายุสามสิบปีเมื่อปีห้าสิบแปด เขามีปัญหาชีวิตครอบครัวเสพยาและลักทรัพย์ถูกข้อหาโดนจำคุกหเดือนถูกได้รับการปล่อยตัวมาปัจจุบันอยู่กับหนูหนูเป็นแม่เขาครอบครัวเขาแตกแยกภรรยาเลิกตั้งแต่โดนจำคุกเขาบอกหนูทุกวันว่าอยากบวชลูกชายเข้าคอสอบรมยุวพุทธสองครั้งเขาบอกว่าเขาเสียใจที่ทำให้แม่เสียใจ เขาต้องการบวชหรืออยากให้เขาบวชวัดพระอาจารย์ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะก็ต้องไปติดต่อกับสำนักธุรการของวัดเขามีพระที่จะรับเรื่องบวชก็ไปสมัครได้ที่กุฏิเบอร์สีหมายเลขสีของวัดญาณคำถามจากคุณเอกชัยค่ะในการทำสมาธิของผมใช้วิธีบริกรรมแบบการนับเลขพร้อมกับลมหายใจ โดยไม่มีการบังคับลมแต่อย่างใดในขณะที่เริ่มเข้าสู่สมาธิแล้วคำบริกรรมหายไปร่างกายเบาที่เจ็บแข้งเจ็บขาก็หายไปรู้สึกตัวเบามากแต่ที่ติดปัญหาก็คือผมจะพบกับแสงสีขาวนวลและภาพต่างๆบางวันก็เห็นเป็นภาพขาวดาบางวันก็เห็นเป็นภาพสีที่ชัดเจนเป็นภาพที่สวยงามไม่เคยเห็นไม่เคยเจอจิต เลยไปติดกับภาพเหล่านั้นสมาธิเลยถอนออกมาเป็นอย่างนี้ผมไม่สามารถประคองสติให้วางเฉยกับภาพได้แต่ในบางครั้งผมใช้วิธีเพ่งไปที่ภาพสมาธิเลยเหมือนเพ่งสักพักจิตสนใจอยู่ในจุดๆเดียวผมเกิดอาการวูบคือจิตวูบหายไปเหมือนโดนจับลงเหวสติตามจับไม่ทัน มีอาการตกใจถอนออกจากสมาธิอีกบางครั้งเมื่อถึงจุดที่บูปนี้ผมจะประคองจิตตามดูจะเป็นอาการเหมือนโดนจับลงเหวนานประมาณ2ถึงสนาทีแล้วถอนออกครับอีกปัญหาคือปัจจุบันเมื่อผมนอนก่อนนอนจะดูลมหายใจเหมือนเดิมภาพก็จะเกิดขึ้นบางทีก็อยู่นานทำงานนั่งหลับตาก็จะเห็นอีกคำถามคือ อาการแบบนี้เป็นอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจภาพให้เราอยู่กับคําบริกรรมไปเวลาเห็นอะไรก็ดึงใจกลับมาอยู่ที่คําบริกรรมเราไม่ต้องการรับรู้อะไรเราต้องการให้ใจว่างใจสงบใจเย็นสบายถ้าเราไปรับรู้ภาพมันก็จะทําให้ใจเราไม่นิ่งไม่สงบได้อีกคําถามค่ะอาการปิติในการนั่งสมาธิ เมื่อปฏิบัติครั้งใหม่ๆจะมีอาการตัวเบาเหมือนลอยได้แต่ถ้าทําไปนานๆแล้วอาการเหล่านี้หายไปไม่เกิดเลยมีแต่รู้สึกตัวเบาเฉยๆครับเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะมันเป็นอย่างนั้นน่ะสิมันเป็นมันจะเป็นอะไรก็ให้รู้ไว้เราไปกาหนดบังคับมันไม่ได้มันเป็นดานัสตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นดานัสตามันจะเกิดมันก็เกิดมันจะไม่เกิดมันก็ไม่เกิด แต่เราไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบความนิ่งความว่างความเป็นอุเบกขาของใจที่จะเกิดทุกครั้งถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตรวมเราต้องการตรงนั้นเท่านั้นเองคาถามจากคุณฟ Minute Academy ทําทำอย่างไรให้นั่งสมาธิให้สงบได้เร็วไม่ติดนิวรณ์ทั้ง5้าครับราต้องฝึกสติให้มากๆ ถ้าสติมีกำลังแล้วสติจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วคำถามจากคุณอาอร์ตอมเรศข้อแรกจริงๆแล้วทุกอย่างที่มีในโลกนี้ที่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นไม้เป็นคนเป็นหญิงชายเพราะเราคิดสมมติให้มันมีขึ้นมาเองใช่ไหมครับรวมถึงจิตที่คิดว่าเป็นตัวเราด้วยถูกไหมครับ ไม่หรอกของทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมันเป็นการผสมประสานของธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟเช่นฝนตกลงมาบนดินมันก็จะทําให้เกิดต้นงอกต้นไม้ใบยุ่งใบหญ้าขึ้นมาส่วนคําว่าสมมุตินี่ก็คือเราไปให้ชื่อของสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเช่นต้นไม้มันไม่มีชื่อเราก็ตั้งชื่อให้มันว่านี่ต้นไทรนี่ต้นโพอันนี้เป็นสมมุติที่จิตเราตั้งกันขึ้นมา แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้ไม่ได้เกิดจากจิตขึ้นมาเกิดจากการผสมประสานของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนชื่อของสิ่งต่างๆนี้เราเป็นคนตั้งมันขึ้นมาเช่นร่างกายของคนเราก็เรียกว่ามนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเราก็เรียกว่าเดรัจฉานแล้วก็ไปให้ชื่อต่างๆชื่อสุนัขชื่อแมวชื่อวัวชื่อควาย มันก็เป็นสมมุติที่จิตของพวกเราไปตั้งให้มันร่างกายของพวกเราก็เราก็มาตั้งว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มีชื่ออะไรมียศอะไรมีตําแหน่งอะไรอันนี้ก็เป็นสมมุติที่เราไปแปะไว้กับที่ร่างกายของแต่ละคนอันนี้เป็นเพียงสมมุติความจริงก็คือร่างกายนี้เหมือนกันทุกคนทำมาจากดินน้ําลมไฟเหมือนกัน มีอาการ32เหมือนกันมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเหมือนกันการปฏิบัตินี้เราต้องการมองที่ความเป็นจริงไม่ให้ไปมองที่สมมติคือไม่ให้หลงสมมติให้ให้รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วก็จะไม่หลงสมมติก็จะไม่ยึดไม่ติดกับสมมติเวลาก็จะไม่ทุกข์เพราะสมมุตินี่มันทำให้เรากิดความอยากต่างๆขึ้นมา อย่างนั้นถ้าเราเห็นตัวร่างกายเป็นดินน้ำนมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะได้ไม่ไปยึดติดกับร่างกายปล่อยวางร่างกายได้แต่ถ้าเราไปมองร่างกายว่าเป็นนายกเป็นตัดทิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรมันก็จะเกิดความยึดติดในสมมุตินั้นอยากจะเป็นไปนา น, น, าน มันก็จะขัดกับความจริงของร่างกายที่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปขอ้ขอสองค่ะที่บริกรรมพุทโธนี้เพื่อให้จิตไม่ต้องยุ่งกับสมมติใช่ไหมครับก็ให้หยุดคิดความคิดส่วนใหญ่ก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของสมมติทั้งนั้นไม่ได้คิดเดี๋ยวก็เรื่องของความเป็นจริงของว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงธาตุสีดินน้าลมไฟตอนต้นก็ให้หยุดความคิดของสมมติไปก่อน พอเราหยุดความคิดสมมุติได้ขั้นต่อไปให้เรามาคิดตามความเป็นจริงฮะเช่นท่านจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นนายกนายขอก็คิดว่าเป็นเพียงอาการ32เป็นผมขนเล็บฟันอส่วนนายกนายขอนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายนายกนายขอนี้ออกมาจากจิตใจผู้มาครอบครองร่างกายแล้วก็ตั้งชื่อร่างกายของตนว่านายกนายขอไป เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปนายกรนายขอไม่ได้ตายไปกับร่างกายนายกรนายขอนี้อยู่กับใจที่ไม่ตายเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นใจเราก็เลยไม่รู้คิดว่านายกรนายขอตายไปแล้วเวลาที่ร่างกายเขาตายไปความจริงร่างกายของนายกรนายขอนี้ไม่มีนายกรนายขออยู่ในร่างกายนั้นนายกรนายขอนี้อยู่ในใจที่ไม่ตายเราจะเห็นใจที่ไม่ตายก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบ เราจะเห็นตัวรู้ผู้รู้นี่แหละคือตัวที่ที่ที่ทำให้เกิดในกอในขอขึ้นมาเพราะในตัวรู้นี้จะมีความคิดปรุงแต่งสังขารตัวสังขานี้ก็จะปรุงแต่งว่าร่างกายนี้ชื่อกอชื่อขอไปงนั้นถ้าคนได้เห็นความสงบได้เห็นตัวรู้แล้วก็จะแยกใจออกจากร่างกายได้ก็จะเข้าใจหลักว่าไม่มีอะไรตาย สิ่งที่ตายก็เป็นเพียงอาการสาสิองด้วยดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองที่มันไม่เป็นไม่ตายอยู่แล้วดินมันไม่เคยเป็นดินมันไม่เคยตายดินมันก็เป็นดินเพียงแต่พอมันมาผสมกับน้ำกับลมกับไฟมันก็เลยกลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไปพอมันแยกตัวออกไปมันก็แยกกันไปคนละทางกลับสู่ที่เดิม น้ำก็กลับสู่ที่เดิมดินก็กลับสู่ที่เดิมลมก็เกิดสู่ที่เดิมไฟก็กลับสู่ที่เดิมร่างกายของนายกรนายขอก็หายไปเวลาไปงานศพไปเผาตอนเช้าไปเก็บก็เหลือแต่ดินธาตุดินเศษกระดูกกับขี้เท้าอันนี้เป็นส่วนธาตุดินส่วนน้ําก็ถูกไฟเผาละเหยไปหมดลมก็หายไปหมดความร้อนกับไฟก็หายไปหมด ไฟดับแล้วหลังจากที่เผาเสร็จไฟก็ดับเหลือแต่ดินอันนี้เราก็จะนิพนธ์วิธีดูความจริงดูว่าร่างกายนี้แท้จริงก็คือเป็นเพียงดินน้ำลมไฟผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบไหนอยู่แบบโง่หรืออยู่แบบฉลาดอยู่แบบโง่ก็คือยังมีตันหาความอยาก ก็จะเป็นหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ถ้าอยู่แบบคนฉลาดก็คือหยุดความอยากต่างๆก็อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกหมดแล้วยั ง, ยางถามไปเรื่อยๆข้อสมค่ะถ้าคิดจากคนแล้วคิดต่อว่าคนเป็นดินอันนี้สมมุติสองชั้นหรือเปล่าครับจากที่ไม่ได้เป็นอะไรก็สมมุติมันเป็นคน แล้วก็มาสมมติต่อว่าเป็นดินดินมันไม่ได้เป็นสมมุติมันเป็นความจริงดินมันก็เป็นดินเพียงแต่ว่าเมื่อมันผสมกับน้าลมไฟมันก็เลยกลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาอาการสาสองก็เป็นของจริงผมก็เป็นของจริงเล็ดฟันหนังเลือดกระดูกก็เป็นของจริงแต่ชื่อของมันอาจจะเปลี่ยนได้ผมคนเล็ดฟันนี่มันเป็นดินส่วนเลือดนี้มันเป็นน้ำ เลือดอุจจะของที่เป็นเหลวเราก็เรียกว่าน้ำถาดน้ำของที่เป็นส่วนที่ร้อนก็เรียกว่าถาดไฟส่วนที่เป็นลมมันก็เราเรียกก็เรียกว่า่าดลมเช่นลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกเข้าไปของพวกนี้มันเป็นของจริงมันไม่ได้เป็นสมมุติสมมุติอยู่ที่ตรงที่เราไปตั้งชื่อต่างๆให้มันตั้งตำแหน่งต่างๆให้มันคำถามจากคุณจักกาอนิกาข้อแรก พยายามตามรู้ดูจิตของตนเองแล้วพบว่ามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งทั้งที่ไม่อยากคิดคำถามคือความคิดไม่ดีเกิดจากอะไรเพราะรู้สึกว่าเราอยากจะคิดแต่ดีๆแล้วความคิดไม่ดีก็ผุดขึ้นมาเหมือนมาขวางเราทำให้จิตเราเศร้าหมองเกิดจากเลัยตันหาเกิดจากโมหะอวิชชาที่ไป หลงอยากได้สิ่งต่างๆพออยากได้สิ่งต่างๆก็คิดหาโดยวิธีการต่างๆหาโดยวิธีดีไม่ได้ก็หาวิธีที่ไม่ดีอันนี้ก็ต้องหยุดความคิดเหล่านี้ด้วยสติไปก่อนทำใจให้สงบใจสงบแล้วมีความสุขมีความอิ่มก็จะลดความอยากได้สิ่งต่างๆลงไปได้แล้วก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้คิดไปในทางที่ดีได้ ให้เห็นโทษของการที่อยากจะทำในสิ่งที่ไม่ดีควรจะทำให้เกิดโทษเกิดความทุกเกิดความไม่สง บ, บให้แก่จิตใจข้อสองค่ะเมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นควรทำอย่างไรคะควรพยายามหยุดมันด้วยการไปสนใจอย่างอื่นเช่นดูกายหรือว่าควรมองดูมันด้วยใจเป็นกลางแล้วกำหนดว่ามันไม่เที่ยง ไม่ใช่เราไม่ใช่ความคิดของเราวิธีไหนก็ได้หยุดมันได้ก็หยุดมันไปใช้สติใช้ดึงมันไปคิดเรื่องอื่นได้ก็ดึงไปให้มันคิดกับพุทโธพุทโธได้ก็คิดไปแล้วคิดว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราไม่ควรที่จะคิดก็ถ้าหยุดมันได้ก็ใช้ได้เหมือนกันจะเอาวิธีไหนก็ได้ขอให้มันหยุดมันก็แล้วกันเช่นจะไปดื่มสุราอย่นี้ก็หยุดความคิดที่จะไปดื่มสุราให้ได้จะใช้พุทโธก็ได้ ใช้ปัญญาก็ได้ว่าเดือชัวร์แล้วเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษกับร่างกายกับจิตใจถ้าหยุดมันได้วิธีไหนก็ใช้ได้ก็ดีคำถามจากคุณวิไลคะ่ะหลังจากภาวนาติดต่อกันเห็นความสุขเกิดขึ้นจนเริ่มเห็นกายไม่สำคัญเป็นเพียง ส, สักแต่ว่าสักแต่ว่าธาตุค่ะแต่พอมีเรื่องที่ต้องคิดเข้ามาการภาวนาก็เริ่มไม่ติดต่อปัญหาคือ ใจเริ่มไม่มั่นคงเกิดความกลัวในใจลึกๆเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งปวงตอนนี้ก็เริ่มกลับมาภาวนาให้มั่นคงในใจอีกความกลัวเริ่มลดลงไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเหมือนชีวิตเราไม่เหมือนเดิมไม่มั่นคงอีกต่อไปค่ะก็เพราะความคิดพอใจไม่สงบใจคิดมันก็เลยมันก็เลยเกิดความ ไม่มัน่นคงเพราะว่ามันคิดแล้วมันก็เห็นว่าลูกนี้มันมีความไม่แน่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็เลยทําให้เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาถ้าหยุดความคิดเหล่านั้นได้มันก็จะไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวยังก็ต้องฝึกสติให้มากๆอย่าไปคิดหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็จะไม่วุ่นวายใจ แล้วหลังจากานั้นพอคิดได้หยุดความคิดได้ก็สอนให้มันคิดไปตามความเป็นจริงให้มันคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามันก็จะปล่อยว่าแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทุกข์เพระมันไปไปยึดไปติดไปอยากให้สิ่งต่างๆเที่ยงให้เป็นของเราเป็นนานๆคาถามจากคุณวิไลอีกคําถามคะ่ะการภาวนา น, านั้นเราควรภาวนาจนกว่าจิตจะรวมจนเกิดเป็นมหาสติ แล้วถึงค่อยพิจารณาในทางปัญญาแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะคือต้องพยายามเจริญสมที่ให้ชนานาญก่อนให้เก่งก่อนให้เข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วค่อยไปออกทางปัญญาต่อไปเหมือนกับการขับรถใหม่ๆเราหัดขับรถยังขับไม่ชํานาญแล้วก็ขับในบ้านขับแถวเบรลูนในหมู่บ้านที่ไม่มีรถลาวิ่งมากก่อน จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราชนานาญแล้วเราอยขับออกไปถนนใหญ่การการจะใช้ปัญญานี้ต้องมีจิตที่นิ่งสงบตลอดเวลาถ้าจิตยังไม่นิ่งสงบพอหรือนิ่งสงบได้เดียวๆพอออกไปพิจารณาปั๊บหนึ่งก็ฟุ้งขึ้นมาอันนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะกลับเข้าไปในสมาธิได้ยากด้วยเวลาเกิดความฟุ้งและไม่ชนานาญกับการเข้าสมาธิ ดังนั้นก่อนที่จะออกไปทางปัญญาควรที่จ ะ, จะเจริญสมาธิจนเกิดความชงงานาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแลถ้าทำได้อย่างนั้นก็ไปทางปัญญาต่อไปคำถามจากคุณพลอยค่ะมีคนติดต่อให้ไปเล่นเกมโชว์ซึ่งเป็นเกมลักษณะสมมุติอาชีพเช่นปัจจุบันเราค้าขายแต่ในเกมโชว์ ให้เราเป็นอีกอาชีพหนึ่งแล้วให้ผู้เล่นเกมโชว์นั้นทายว่าเราอาชีพอะไรอย่างนี้เข้าข่ายผิดฉีดข้อสองไหมคะถ้าผิดจะไม่ตอบตกลงคะ่ะก็ถ้าเป็นการเล่นกันก็เป็นจะว่าผิดหรือไม่ผิดก็ไม่รู้ล่ะเพราะก็รู้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติเป็นการหลอกกันอยู่แล้วคําถามจากคุณแสวงค่ะการอุทิศส่วนกุศลให้คนตายถ้ามีญาติหลายคน เราต้องพูดชื่อพูดนามสกุลทุกคนไหมคะหากพูดว่าอุทิตให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้ไหมคะก็ได้แต่แปลว่าคนไหนก็กสแสดงว่าให้กับทุกคนที่เป็นญาติพี่น้องใครเป็นญาติพี่น้องเขารอรับอยู่เขาก็รับไปถามสดต่อเลยเลย20นาทีครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับ คำถามแรกจากคนตัวละครสมมุตินะครับหลังๆมาผมเห็นภาพเหล่าลูกศิษย์นาเค้กไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ในงานบุติตาจิตแล้วถ่ายภาพมาลงโซเชียลบ่อยขึ้นผมเห็นแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกรงว่าโลกจะติกเตียนพ่อปะติคนเราจะแยกสมมุติกันไม่ออกอยู่แล้วขออุบายธรรมจากพระอาจารย์ผมจะวางใจอย่างไรดีที่เวลาเห็นภาพเหล่านี้แล้วจะไม่รู้สึก ต้องมานั่งถอน ห, หายใจเพราะวางใจอุเบกขาไม่ลงครับก็ฝึกสมาธิบ่อยๆนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วต่อไปเห็นอะไรก็จะเฉยได้ก็จ ะ, จะปองได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องที่มันมีเหตุมีปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนอิจฉาทิสยาก็ได้เห็นคนอื่นเข า, ามีความสุขก็เลย ไม่สบายใจือถ้าเกิดเราเป็นคนที่ได้รับโครกรับเค้กนี่เราอาจจะรู้สึกสบายใจก็ได้อาจารทั้งสอนให้รู้จักมีแสดงความมูฎิตาจิตเวลาเห็นผู้อื่นเขาได้รับเค้กได้ของขวัญก็อย่าไปรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเป็นบุญของเขาก็แล้วกันเขาทำความดีมาถึงเวลาที่เขาจะได้รับผลของการทาความดีของเขาเขาก็ได้รับเค้กรับขนมอะไรไป เราไม่ได้ทำความดีเราก็เลยไม่ได้รับเค้ครับขนมเราก็เลยรู้สึกไม่สบายใจเพราะเราคิดว่าทุกคนจะต้องไม่รับเค้ครับขนมเพราะเราไม่ได้รับเค้ครับขนมเหมือนคนเราก็เลยคิดว่าทุกคนไม่ควรจะรับเคครับขนมพอคนอื่นรับเคกรับขนมเราก็เลยไม่สบายใจหรือเปล่าคำถามจากคุณจักรพง์นะครับ การที่เราเพียรสร้างบารมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าครบและถึงเวลามันจะเต็มของมันเองใช่ไหมครับและก็จะต้องออกจากโลกเองตามกาลเวลาก็อย่างพระพุทธเจ้านะพอถึงเวลาที่บารมีมันจะครบมันก็ทำให้พระเจ้าออกบวชเพื่อไปสร้างบารมีขั้นสุดท้ายบารมีขั้นสุดท้ายก็อุเบกขากับปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี่เป็นขั้นที่ท่านเรียนจากคนอื่นไม่ได้ อุเบกขาบารมีนี้ท่านก็ไปเรียนกับอาจารย์ที่สอนสมาธิได้แต่พอขั้นปัญญาบารมีนี้ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาเองจึงต้องเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตัสรู้ด้วยตนเองค้นพบปัญญาด้วยตนเองอันนี้ก็มันจะเป็นขั้นไปเริ่มจากทานไปก่อนอเมตตาบารมีไปก่อนพอเมตตาบารมีแล้วก็จะสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีในขัมมะบารมีไป แล้วก็ไปอุเบกขาบารมีแล้วก็ปัญญาบรมี ami, ตามลำดับคําถามจากคุณพิชัยนะครับจิตแค่รู้เฉยๆแต่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่รู้พิจารณาถูกไหมครับเป็นยังไงไม่เป็นไปตามสิ่งที่รู้แค่รู้เฉยๆแต่คงคงไม่คงไม่ตามไปกับเรื่องราวอะครับราอาจารย์อ่ก็รู้แล้วก็ปล่อยวางเรื่องราวจะเป็นงไงก็อย่าไปวิพากวิจารณ์ อ ย, อย่างเหมือนกับคำถามที่เมื่อกี้นี่เห็นเห็นภาพที่เขาถ่ายครูบาอาจารย์ท่าได้รับเค้กรับอะไรเห็นแล้วก็ไปปรุงแต่งไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาเพราะว่าไม่มีสติไม่มีปัญญายับยั้งความคิดปรุงแต่งของตนเองถ้ามีสติมีปัญญาก็รู้เฉยๆเรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องของเราไหคนื่นเาจะกินเค้กไม่กินเค้กมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรา่ไ ห, ไไไหร่ ทำไมต้องไปวิตก ก, กังวลเรื่องของคนอื่นเขาด้วยเพราะหยุดความคิดของตนไม่ได้ไม่มีสติไม่มีปัญญายับยัง้งไม่สักแต่ว่ารู้คนที่มีสติมีปัญญาเขาจะสักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็กกเฉยไม่ใช่เรื่องของเราใครดีใครชั่วมันก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ได้ไปดีไปชั่วของเขาทั้งน่อนเราไปเดือดร้อนทำไม บางทีขอแชร์ประสบการณ์เนี่ยครับอาจารย์บางทีการจะไม่อยากรับรู้เรื่องอื่นแบบว่าสักแต่ว่ารู้บางทีผมจะใช้วิธีเอาความรู้สึกทางด้านไม่ดีที่ไปรับรู้ของผู้อื่นมาแล้วมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกตอนของเราอะตอนที่เรานิ่งๆเนี่ยว่าตรงไหนมันมีความสุขกว่ากันแล้วปัญญามจะสอนเราเองว่าสิ่งไหนเราควรเอาไม่เอาครับอาจารย์ได้ดีใช่ได้ถ้ามีปัญญาก็ใช้มาเปรียบเทียบกันเดียวแล้วหยุด ถ้ดูเฉยๆไปจะดีกว่าคำถามข้อต่อไปจากคุณธนสิทธิษ์นะครับบางทีผมติดกับนิวรณ์ครับไม่มีสติปัญญาผมต้องแก้ยังไงครับก็ต้องแก้ที่สติปัญญาเย่ยไม่มีสติก็จเจริญสติไม่มีปัญญาก็หมั่นพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆตัว อ, อย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาคาถามจากคุณปั้นปอนะครับเปิดร้านขายสินค้ามือสอง เดือนที่มีลูกค้าขโมยของไปกล้องวงจรผิดปิดจับภาพได้ตลอดพอมาลุทีหลังข้างในมันโกรธมากแต่มันไม่แสดงออกแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องแจ้งความโทษตัวเองตกกลางคืนแผ่เมตตาให้เขาพอหลายวันต่อมาเจอคนที่ขโมยตัวโกรธมันแรงมากแต่ไม่แสดงออกทางกายกว่ามันจะหายโกรธเล่นเอาหลายนาทีแล้วก็ดับหลายวันต่อมาก็เจอคนขโมยอีก แต่ไม่มาในร้านอารมณ์โกรธอีกแล้วก็อีกหลายนาทีถึงจะดับพยายามบอกตัวเองว่าเขาสอนทำให้เราทั้งทางที่เราไปบริจาคสร้างกำแพงวัดหลายหมื่นทำไมตัวโกรธมันร้กาดอย่างนี้ครับทุกวันเวลานั่งสมาธิก็แผ่เมตตาตลอดทุกวันนี้อาการเริ่มเบาลงครับเวลาเจอคนขโมยก็เ ร, เราหวงของของเราไงเ้วไม่อยากให้ใครขโมยไปพอใครขโมยของเราเราก็จะโกรธ ว่าเรามีความอยากไม่ให้ใครมาขโมอยของของเราแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันใครเอาไปก็เอาไปถ้ามันเก่งกว่าเรามันก็เอาไปให้มันไปถ้าเราเราเก่งกว่ามันมันก็เอาไปไม่ได้เราก็คิดแค่นี้เราก็จะไม่รู้สึกโกรธเวลาเขาเอาไปก็แสดงว่าเราโง่กว่าเขาเขาเก่งกว่าเราเขาสามารถเข้ามาเอาของที่เราเก็บไว้ในบ้านได้แสดงว่ า, ารเรายังมีช่องให้เขาเข้ามาอยู่ก็มองอย่างนี้มันก็จะไม่โกรธ คืออย่าไปยึดไปติดกับข้าวของของเรามากเกินไปคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงวันดีเกินดีสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปถ้าเรายินดีให้มันจากเราจะมีความสุขเช่นเราเอาเงินไปบริจากสร้างกำแพงเราก็มีความสุขมันก็จากเราไปแต่พอขโมยมาขโมยเงินไปเรากลับเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันเอาไปไม่ยินดีงั้นถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเราต้องยินดีให้มันจากเราไป แ้วมันเรายินดีแล้วเวลาจากเราไปก็สาธุได้อไม่ต้องไปที่วัดมีคนมารับมารับถึงที่บ้านเลยคําถามข้อต่อไปคือุลจรัญญานะครับโยมได้ข้อคิดว่าร่างกายนี้สกรปรกต้องทําความสะอาดอยู่ประจําทั้งการอาบน้ําแปลงฟันถ้าเราไม่ทําความสะอาดเราก็จะไม่สบายตัวจึงได้น้อมเข้ามาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่สะอาดนะ มีความสกรปรกอยู่เป็นปกติจึงช่วยลดความหวงร่างกายรักร่างกายถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ควรจะมองร่างกายของคนที่เรารักด้วยว่าร่างกายของคนที่เรารักมันก็ ส, สกรปรกเหมือนร่างกายของเราเพื่อเราจะได้เลิกรักมันเมื่อเราไม่รักมันแล้วเราจะได้ไม่หวงไม่หวงเวลาเขาจะไปอยู่กับใครเราก็จะไม่เสียใจคาถามจากคุณนิดนิดอนาตานะครับ กราพระอาจารย์เมตตาสรุปกายเวทนาจิตธรรมให้ด้วยเจ้าค่ะก็กายก็คือร่างกายของเราเวทนาก็คความรู้สึกเช่นเวลาเจ็บท้องปวดหัวนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนาจิตก็มีอารมณ์ต่างๆอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีธรรมก็มีมากมีน้อยอยู่ที่เราปฏิบัติมีมากมีน้อยสติมีมากหรือไม่ปัญญามีมากหรือไม่ก็เรียกว่าธรรมการปฏิบัติก็เพื่อให้เรา ได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันอยู่เกี่ยวข้องกับเราร่างกายเราก็มีแต่เรามองร่างกายว่ามันเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราถ้าเรามองว่ามันเป็นของเราก็เราก็มองผิดมันก็ทําให้เราทุกข์เพราะเราจะไปยึดไปติดถ้าเรามองว่ามันไม่ได้เป็นของเรา <Yeah. S 1> เราก็จะไม่ทุกข์เช่นเดียวกับเวทนาถ้าเราไม่ไปมองว่าเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป จิตก็เหมือนกันถ้าเรามองว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันจะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีก็ปล่อยมันไปเราอย่าไปยึดไปติดกับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะเฉยๆอยู่กับการเป็นของกายเวทนาจิตได้ด้วยธรรมธรรมก็คือสติปัญญาที่เราพยายามสร้างขึ้นมาถ้ามีสติปัญญาแล้วเราก็จะปล่อยวางกายเวทนาจิตได้เพราะเราจะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คำถามข้อต่อไปจากคุณลุ่งอรุณ น, นะครับการกวดน้ําให้พ่อแม่ที่ตายไปสามสิบสี่ปีสามสิบสี่สิบปีแล้วหรือนานกว่านั้นผู้เป็นลูกต้องกวดน้ําให้พ่อแม่ไปนานแค่ไหนถ้าหยุดถือว่าผิดใช่ไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกความจริงการจะกวดน้ํานี่มันต้องมีผู้รอรับแะถ้าเราไม่รู้ว่ามีผู้รอรับหรือเปล่าเราทําเผื่อไปก็ทําได้ไม่ทําก็ไม่เสียหายตรงไหน เพราะเราไม่รู้ว่าทำไปแล้วมีใครรอรับหรือเปล่าแต่อาจจะมีที่ไม่ใช่เป็นญาติของเราก็ได้เช่นหลวงตาท่านก็จัดงานบวชโลกทาตให้ทำบุญอุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีญาติอุทิศให้เราก็ทำไปส่วนใครจะมารับก็ปล่อยเขารับไปไม่มีใครรับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคาถามหมดแล้วครับระอาจารย์ก็ดีเวลาก็หมดพอดี